เป็นวันอุโบสถพิเศษคือเป็นวันวิสาขาบูชาวันนี้ตรงกับวันที่ส3สาพฤษภาคมพุทธศักราช2557ัราพวกเราได้ประชุมกันลงอุโบสถพระทั้งหมดส2สองรูปลงอุโบสถผ่านไป จบลงไปสักครู่นี้วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้พร้อมกันลงอุโบสถคือปฏิบัติตามกฎระเบียบศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถาว่าพวกเราไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัย พวกเราจะเป็นพระที่ดีไม่ได้เราจะจัดว่าเป็นพระสากยบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าถึงยังไงก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วส่วนความคิดเห็นอย่างอื่นอันนั้นเป็นเรื่องละเอียดแต่หลักพระธรรมวินัยนี้เป็นที่รู้รู้เห็นเห็นกันอยู่ เพราะว่าเขียนใส่กระดาษลงเป็นข้อๆถึงจะตีความก็ไม่ตีความด้วยความยากลำบากเพราะว่าท่านบัญจัดไว้ตรงตัวอยู่แล้วอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วใครอ่านแต่ไม่เข้าใจในภาษาเพราะว่าภาษาในยุคสมัยก่อนกับประยุคสมัยนี้ อาจจะ แ, แตกต่างกันแต่ถึงยังไงผู้ที่รู้ได้เรียนภาษาบาลีมาก่อนก็จะได้แปลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ว่าพวกเราใ่ในการศึกษาเว้นเสียแต่เราไม่สนใจถ้าไม่สนใจแล้วก็คงไม่รู้ถ้าหากว่าสนใจใ่ในการศึกษาแล้วก็จะรู้ว่า หลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้ปกครองสงฆ์แต่รัิกขาบท น, นเป็นมาอย่างไรมีความหมายอย่างไรมีพระประสงค์อย่างไรมีเหตุซะก่อนอย่าค่อยมีผลเหตุก็คืออะไรคือเมื่อพระในข้างพระพุทธเจ้าได้กระทำลงไปแล้วก็เป็นไม่เป็นที่สบายใจของ หมู่พวกเพื่อนของพระสงฆ์อย่างนั้นก็ได้กราบโทนพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงพระวินิจฉัยว่าการกระทําเช่นนี้จะเข้าในหมวดหมู่ไหนในโทษอาญาหรือโทษแพง่งหรือว่าโทษหน้าตําหนิพระพุทธองค์ก็เป็นผู้วินิจฉัยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนา เพราะนั้นเมื่อกราบทูลพระพุทโแล้วองค์ก็เรียกประชุมส่งจากนั้นก็บญญยัยฟีไนว่าเนี่ยการกระทาเช่นนี้เข้าเรืออายกลุ่มนั้นกลุ่มนิสสกียปาจิตีกลุ่มปาจิตีกลุ่มทุกกฏกลุ่มทุนละใจหรือกลุ่มปฏิเทธนิยะอย่างนี้เป็นต้น มิไม่ใช่พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้บัญญัติวินยัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติวินยัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราได้ศึกษาได้อ่านได้ศึกษาในหลักพระธรรมวินัยแล้วในเมื่อเราคล่องใจสงสัยในเรื่องอะไรเราก็จะต้องนำมาคิดแล้วก็ เอาไปศึกษาในพระไตรปิฎกหรือในวินัยมุกหรือท่านผู้รู้จะอธิบายให้ฟังาจะอธิบายให้ผู้ที่ไม่รู้พระบาลีหรือไม่รู้ศัพท์ภาษาโบราณศัพท์นี้มีความหมายว่ายังไงอย่างสันทัดอ่นี เรียกว่าเจือด้วยไหมยอย่างนี้คือภาษาเก่าแก่โบราณที่มาก่อนผู้ที่ท่านรู้ท่านก็นจะได้อธิบายให้ฟังเราจะได้เข้าใจแต่ถึงยังไงบางสิกขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยที่พวกเราสวดจบลงสักครู่นี้ในยุคสมัยนี้พวกเราไม่ได้ใช้เพ่ออะไรไม่จำเป็น เพราะสิ่งอย่างอื่นทดแทนมีก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ขนาดนั้นแต่ถึงยังไงพวกเราก็ายังคงไว้ยังมองยังศึกษาอยู่อย่างพิกษุมีเครื่องกรองน้ํอย่างนี้พิกษุจะเดินทางไกลต้องมีผ้ากรองน้ําถ้าหากว่าไม่มีผ้ากรองน้ําดื่มน้าที่มีตัวสัตว์ต้องปลายิตตี อย่างนี้เป็นต้นภิกษุมีองค์หนึ่งมีผ้ากรองน้ำํำแต่องค์หนึ่งไม่มีผ้ากรองไปเดินทางทะเลาะกันองค์นึง่งมาให้ผ้ากรองน้ําแต่องค์หนึ่งหิวน้ําพราะพระพุทธเจ้าก็ปรับอบัดทุกอดแก่องค์ที่ไม่ให้แต่ท้าว่าไปไม่มีผ้ากรองน้ําแล้วจะทำไงแต่ถ้ามีความจําเป็นจริงอย่าไปดื่มน้ําโดยที่ไม่ได้กรองต้องเอา เชิงสังคาติแกรองซะก่อนยังค่อยฉันแย่นี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ให้ฆ่าสัตว์คือท่านสงสัยว่ามีน้ํามันมีตัวสัตว์อยู่ในน้ำํำต้องให้กรองซะกอ่อนแต่ทุกวันนี้เราไปมีมีไม้ของกรองน้ําไม่มีเพราะว่าเราไปนักจานที่ใดโดยมาร์ก็เมนจะน้ํำขวดน้ําที่เขากรองสะอาดดีแล้ว น้ำไม่อดไม่อยากไปนักสถานที่ใดก็ไม่จําเป็นจะต้องถือทำมะกรกหรือของกรองน้ําไปด้วยนี่แหละคือพระวินัยบางข้อบางสิกขาบทบางครั้งก็จําเป็นรักษาแต่บางครั้งก็พวกเราก็ไม่ได้ไม่ได้รักษาเพราะอะไรเพราะเป็นตามการสมัยเป็นตามการตามสมัย เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในพระวินัยแต่ถึงยังไงเป็นกฎเป็นระเบียบแต่อย่าไปออกนอกลู่นอกทางจนเกินไปถ้าออกนอกลู่นอกทางเกินไปไม่มีศีลไม่มีวินัยอันนั้นเปลว่าพระไม่มีฮิริโอตตะปะพระอารัชีพระไม่มีอย่างอายพระพุทธเจ้าตราหน้าว่าเป็นพระที่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัย พระสงฆ์เราพพระพุทธเจ้าท่านราชาไว้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะเกิดสุดท้ายภายหลังเรื่องหลักพระธรรมไินัยเรื่องพระวินัยควรจะยึดเป็นแนวทางเป็นแนวทางดําเนินชีวิตของพวกเราอย่าไปปล่อยปละละเลยให้มีศีลให้มีวินยัยทุกวันนี้ที่พวกเราตําเขาตำหนิชาวโลกเขาตําหนิพระ พวกเราเห็นบางครั้งก็น่าตำหนิพอมันดูออกนอกลูก่นอกทางคาราวาัตขอไม่ทำตัวเองกลับไปทำอีกต่างหากบางครั้งก็เกินไปน่าตำหนิเขาจึงตำหนิแต่บางครั้งผู้ที่ตำหนินั่นก็ไม่รู้หลักพระธรรมวิ่ไหนเห็นก็พูดก็พูดไปตามอันนั้นก็น่าตำหนิอีกเหมือนกันทำให้เสียหายเพราะนั้น พวกเราที่เป็นพระเป็นพระในพระพุทธศาสนาพวกเราต้องดูให้รอบด้านรอบข้างแล้วก็ให้ศึกษาถ้าเขาไม่รู้เราก็พร้อมที่จะอธิบายให้เขาฟังได้ถ้าเขาเข้าใจผิดเราก็พร้อมที่จะชี้แจงให้เขาเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษาเราได้อ่านได้ศึกษาถึงเราจะไม่ ชัดเจนไม่แฉมแจ้งในพระวินยัยเราก็ควรจะค้นคว้าศึกษาเอาไว้ว่าสินและวินัยอยู่ในหนังสือเล่มไหนแหนอยู่ในนวโกวาทเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็วินัยมุกวินัยยัมุกเล่มหนึ่งอธิบายเรื่องสินส2ยีเจจากนั้นก็ศิลอภิสมาจาร์อยู่ในวินัยมุกเล่มสองเรื่องสังฆกรรมต่างๆ อยู่ในวินัยมุกเล่มสามดังนั้นถ้าอยากจะดูในรายละเอียดความเป็นมาของวินัยแต่ละสิกขาบทนั้นเราต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกเท่านั้นพระไตรปิฎกมีอยู่หลายเล่มของกรมการศาสนาก็มีทั้งหมดมีห้าเล่มแต่เล่มใหญ่นะเล่มใหญ่กรมการศาสนาในราละเอียดเพราะว่าในกายหรือว่าสง ทั้งเป็นครวาด้วยทั้งฝ่ายพระด้วยที่เรียนได้ศึกษามาเอามาร่วมกันรวมกันประชุมกันาการกลองไตรตองในพระวิ น, นัยเรื่มนี้จะสมบูรณ์ที่หลวงพ่อได้ศึกษานะาสมบูรณ์มากาจากนั้นก็เป็นปรไตรปิฎกของมหามกุฏอันนั้นก็สมบูรณ์ เ, เท่าเทียมกันใกล้เคียงกันอของอปุ้ยแสงสาย อันนี้ก็คือพระไตรปิฎกเราก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกันอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่ดูดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าหลักธรรมพินัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายุคนี้สมัยนี้บางคณาจารย์ก็ออกมาสอน เอามาบอกมาสอนสิทธิ์ยาวนิสิ์ของตนเองหรือประกาศบอกกล่าวไปแต่พวกเราบางคนก็ปฏิเสธบางคนก็เชื่อถือแต่ตามไม่จริงเราต้องเอามานํามากันกรองอีกทีหนึ่งซะก่อนคือเมื่อเราได้ยินมาแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้จริงไหม เข้ากับบททำบทไหนได้บ้างเอเรียกว่าขวางกันอแล้วไม่ไปด้วยกันกับหลักพระธรรมวินัยถ้าเอามาเปรียบเทียบแล้วมันเข้ากับหลักธรรมวินัยไม่ได้อันนั้นเราก็พูดได้เลยว่าอันนี้ท่านอกนี้ถึงึงจะเป็นอาจารย์ก็เถอะจำมาผิดเสียแล้วเอเข้ากันกับหลักพระธรรมวินัยไม่ได้ไม่เข้ากันกับพระไตรปิฎกไม่ได้เอฟังดูแล้วมันก็ขวางอยู่แล้ว อันนี้เราก็ต้องต้องปล่อยวางไว้ซะก่อนแต่เมื่อได้ยินมาแล้วอืเรานําทําคําสอนที่ได้ยินมาจะเป็นใครก็ตามพูดและแสดงความคิดเห็นมาเราก็มาเปรียบเทียบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเข้าในพระไตรปิฎกเข้ากันได้อันนี้ก็เอออันนี้ เ, ออเข้ากันได้กับหลักพระธรรมวินัยเราก็ยอมรับ ว่าองค์นี้นำมาถูกต้องจำมาถูกต้องจำที่มาในหลักพระธรรมพินัยจริง เ, เข้ากันได้สิ่งเหล่านี้เราอยู่เบื้องหลังเราก็ต้องได้คิดได้กันได้กรองได้นำมาพิจารณาเพราะว่าหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาระหว่างนางโคตมี พระ แ, แม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าที่เป็นพิกจุณีเขามาถามพระพุทธเจ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านะหลักพระธรรมวินยัยก็มีมากและสงหรือใครก็ตามที่จะโคดหรือเอานำมาแสดงขึ้นมาจนะไม่จะไม่ฟั่นเฟือเหรือมันจะมันจะถูกต้องเหรือต่อไปภายภาคหน้ามัน ยาวไปข้างหน้าจะเอายึดอะไรเป็นหลักเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกตรัสชื่อว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปประการฮะอยู่ในนวโกวาะในธรรมวิภาคก็ขอให้พวกเราท่านหลายศึกษานะลักษณะตัดสินธรรมวินยัยทำเราได้เป็นไปเพื่อความครกุกคีด้วยหมูด้วยคณะอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ทาเราได้เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ลักษณะนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็คือเป็นการส่งเสริมกิเลสราคะโทสะโมหะของตอนเองนะอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยแต่อันไหนก็ตามมักน้อยสันโดษเป็นผู้ขัดเกลารเป็นผู้เห็นโทษในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนไหวายเกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นลักษณะนี้แหละ อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราไปอ่านดูถ้าพวกเราอ่านดูแล้วก็ได้การกรองไตรตรองทบทวนให้เข้าใจจากนั้น่อนเราก็จะได้รู้แนวทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีจุดประสงค์อะไรท่านมีความมุ่งมั่นจุดหมายปลายทางคืรธรรมคาสอนของพระโตรงนั้น เป็นยังไงคนในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งกันนู้นน่ะเขามีความสงสัยอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็จะนำสิ่งที่เป็นอัดเป็นธรรมนำมาประพฤติธปฏิบัติ่ะอันนั้นก็คือเรื่องภายนอกแต่จะเป็นเรื่องภายนอกก็เถอะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภายในเหมือนกันถ้าพวกเราทาไม่ถูกภายนอก มันก็ขวางภายในอีกเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับเปลือกกับพีแก่นเออเรากคคิดว่าแก่นนี่แหละถูกต้องเปลือกถากมันทิ้งวันที่สุดมันจะเป็นแก่นได้ยังไงเพราะว่าเออมันไม่มีน้ำเลี้ยงต้นลำของมันเพราะถากเปลือกมันทิ้งเพราะอนไ่ เ, ออเออพราะว่ามันไม่มีน้ำเลี้ยงเข้าไปข้างใน แก่นมันก็ตายเหมือนกันผกเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันศีลและวินัยเนี่ยเป็นเปลือกเป็นกับพีที่จะรักษาแก่นให้เป็นแก่นเจริญเติบโตขึ้นมาได้นี้ก็เหมือนกันศีลหรือศีลและวินยัยที่รักษาดีแล้วก็เพื่อรักษาธรรมคือความถูกต้องเพื่อทางพ้นทุกข์ในวัตะสงสารมันเกี่ยวเนื่องกัน เพราะนั้นเราจำเป็นมองแต่แก่นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูทั้งกบพีทั้งเปลือกด้วยเพราะมันเกื้อกูลหนุนกันนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาให้ที่ท่วนแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันจากนั้นพวกเราก็จะได้ยึดทั้งศีลและวินยัย ทั้งหลักก็ทมวินยัยทมและวินัยมันอยู่อันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามีทมแล้วก็ต้องมีวินยัยถ้ามีวินยัยดีแล้วคนนั้นก็ต้องมีทรทมและวินยัยมันเป็นของคู่กันเหมือนกับกับพีกับแก่นมันพึ่งพาอาศัยกันเพราะนั่นคือพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ก็วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่ผมได้ย้าได้กล่าว ไว้อยู่เสมออยากจะให้พวกหมูพวกเพื่อนในคืนนี้แนหะพยายามตั้งอกตั้งใจเอาเต็มที่ดูสิไม่ต้องไปคุยกันอย่าไปเดินไปหากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างภาวนาของใครของเราเร่งความเพียรของใครของเราในคืนนี้เอาอริยาบทสองหรืออริบท 1, ี่จะเดินทั้งคืนดูสิทำไมวันเดินเขาเราเดินเออเราเดินให้ดีกว่า ดีกว่านั่งเอาเดินไม่ต้องนั่งแต่บางครับบางท่านเขเออเรานั่งดีกว่าเอานั่งทดลองเยสิเอาทั้งคืนดูแต่ว่าบางท่านเออเรานั่งกับเดินมันต้องของคู่กันบางทีเราก็นั่งบางที เ, เอาเดินสลับกันก็ได้นั่งสักสองชั่วโมงเดินสักสองชั่วโมงเเอาดูสินี่แหละการทำความภาคเปลี่ยนผมเองอยากจะให้ หมูพวกเพื่อนน้องนุ่งทั้งหลายให้ตั้ง อ, อกตั้งใจให้มีหนักให้มีคลั้งหนักคลั้งเบาให้มีคราวหนักคราวเบาไม่ใช่ว่าจะทำเป็นพอล่อเล่แหะอย่างนั้นผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เล่นความภาคเพียรให้จริงจังและจริงใจ อ, อยากจะให้ตั้งสักจิ์อธิษฐานอีกต่างหากวันนีนะ้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ประสูตรตรัสรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าเอาเถอะข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธปฏิมาข้าพเจ้าชีวิตทั้งชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นผมว่าถึงผมจะบอกว่าผมได้ตั้งจิตอย่างนี้แต่พูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับบอกว่าหมาหางด้วน และอยากจะให้หมู่ตัดหางร่วดเหมือนตัวเองไงแต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ผมก็ยินดีพอใจอย่างมากที่ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานราะนั้นผมอยากจะให้แนวทางสำหรับหมูพวกเพื่อนทุกองค์ที่เข้ามาศึกษาที่มาฟังกับผมให้เป็นแนวความคิดแต่ไม่ถึงว่าให้พวกท่านทั้งหลายตัดชิ้นใจอย่างที่ผมพูดแต่ถึงยังไงให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ทาาพวกท่านทั้งหลาย มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในแนวแถวอันเดียวรวดแนวแถวอย่างเดียวไม่หนึ่งไม่มีสองแล้วใจของพวกท่านทั้งหลายจะมีความสุขะมีความสุขใจเพราะมันไม่กระเสือกกระสนไม่ดิ้นไม่วายไม่กระเสือกกระสนไปทางอื่นมันมุ่งมั่นไปทางเดียวเรื่องกา ม, มากิเลก็ตัดกระเด็นออกไปเลยมึงจะออกไปทาไมจะโกรธโม้กับใครก็โกรธไปทำไม มันจะลุ่มหลงไปในโลกจะลุ่มหลงไปทํำไมมึงจะไม่ตายเหรอนี่แหละใช้ภาษาพ่อขุนรามเลยอืฟันตนเองเลย เ, เมื่อฟันทุกด้านคแล้อกิเลสจะออกทางตาออกทางหูออกทางจมูกออกล่งทางลิ้นออกทางกายเอมันก็จะโหดหมดมันออกไปทํำไมฮะมันเห็นโูกแล้วมันพอใจไม่พอใจมันได้อะไรเขาเห็นก่อนพวกเราเขาได้อะไร เห็นแล้วเขาตายไปแล้วก็ฝังไปแล้วมันได้อะไรคิดดูสีใจนี่แหละผลในสุดมื่เกิดเข้ามาถึงใจดูใจปล่อยวางที่ใจใจไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้หาที่ไหนเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฟังแล้วก็นําไปคิดพิจารณาตอนน่อในไปสวดท้ายปฏิโมก